ทุกทสวัสดีค่ะท่านฟั ง, ฟงที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพง์นะคะและสถานีวิทยุแห่งนี้สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่จะสนทนาแต่เฉพาะเรื่องที่ว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนอะไรไว้และเราสามารถจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไรกันบ้างซึ่งเป็นการศึกษา จากคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะโดยมีพระภบูลุญอภิปุโนจากวัตปารณหายโศกอาเภอหนองหารอุดรธานีจะมาเป็นผู้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะหรือว่าจะเป็นผู้ที่ทําให้เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นทําให้เราได้พบกับพุทธวจนะของพระพุทธองค์อย่างถูกต้องสําหรับในห้วงเวลาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะตามรอยการเดินทางไป สังเวชนียสถานของคณะผู้ศรัทธาซึ่งนำโดยท่านอาจารย์ไพบุญอภิบุญโนแล้วก็หลวงพ่อดอเตอร์สะอาดจากวัดป่าดอนไยโซที่เพิ่งกลับมาไม่นานมากนักนะคะแล้วก็ในช่วงต้นของรายการก็เช่นเคยเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมแต่อย่างไงเดียวขอไปอกราบน้ำสการท่านอาจารย์ก่อนนะคะและนำท่านทั้งหลายเข้าไปพบกับพระอาจารย์พร้ อ, ร อ, รอมๆกันเลยกราบนสการค่ะไพบาน ท่านคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เริ่มต้นกันไปหน่อยนึ่งแล้วเป็นการปูพื้นว่าทําไมถึงต้องไปไปแล้วต้องวางจิตวางตนอย่างไรใช่ไหมคะใช่ใชทีนี้อยากกลับเรียนถามท่านแบบคนจะติดตามรายการเดินทางนะคะเหมือนกับดูรายการท่องเที่ยวอย่างเนี้ยว่าคณะของท่านนั้นเริ่มต้นกันอย่างไรไปที่ไหนก่อนแล้ววันนี้เราจะพาท่านฟังไปที่ไหนคะก็เริ่มต้นที่พุทธคยา เดิป็นสไต์ที่ที่พระเจ้าตรัสรู้เราก็เริ่มด้วยการปฏิบัติกันเลยนะว่าตอนนั้นพระพุชาก็อยู่ที่ตําบลอูรุเวลาเสนานิคมแล้วก็ครั้งก่อนแต่การตรัสรูเรสร้เนี่ยก็ทรงจิตเอาไว้ด้วยการที่ปฏิบัติอานาปานาสติแล้วในขณะนี้ก็เหมือนกันเราก็มาเป็นผู้ที่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนนั้นโพธิสัต นั่นคือพระรูชาของเราก่อนการตรัสรู้เนี่ยก็บอกว่าตัวพระองค์เองณครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสตินี้เป็นเดนมากเมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสตินี้เป็นเด่นมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิต ก็หลุดพ้นจางอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเดือนนั้นในเรื่องนี้ถ้าพวกเธอหวังว่ากายของเราก็อย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นจางอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้เราใช้อนาปานสติสมาธินี้แหละ อันเธอพึงทำให้ในใจให้เป็นอย่างดีคือเตอในกรณีนี้เมื่อไปสู่ป่าสู่โคตไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาเดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกนึกถึงลมหายใจออก เมื่อหายใจเข้าก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าหรือเมื่อหายใจออกก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกพีสุดทั้งหลายครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้สึกได้เกิดขึ้นเกลาว่า ความหลีกออกจากกามเป็นทางแห่งความสําเร็จความอยู่สงัดจากกามเป็นทางแห่งความสําเร็จเหล่านั้นได้รู้ถึงซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จากยิ่มจากพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทําความเปลี่ยนคือเราได้ตั้งไว้ซึ่งความเพียร อันไม่ไอยกลับในการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหแห้งไปก็ตามดีประโยชน์อันบุคคลจะบึงบันลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียร น, นี้เสียเป็นไม่มีเลย นี่คือพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้เล่าให้ถึงฟังเกี่ยวกับเรื่องของการตรัสรู้ที่ตาบลอูรุเวลาเซนาณิคมนั่นเองเฉียนค่ะสาธุค่ะเรื่องฟังที่กรกครบท่าก็เป็นอันว่าที่ดี่ทนได้เกิดขึ้นต้นรายการว่ารายการนี้จะมีส่วนของการปฏิบัติธรรมด้วยก็ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี่แหละนะคะลักษณะวิธีก็คือเมื่อพระอาจารย์ได้เห็นว่าเข้าสู่รายการพอสมควรแล้วท่านก็จะนําพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติพร้อมๆกับฟังพระสูตรที่ควร แก่การฟังในวันนี้ในวันนั้นสําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธคยาเลยหรือเปล่าคะท่าถูกต้องถูกต้องคำว่าพุทธคยาเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งมาตามในภายหลังแต่จริงๆบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตําบลขยาแล้วก็มีที่เรียกว่าตําบลอุรุเวลาเสนานิคมพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าตําบลขยาแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นต้นโพเนี่ยที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็ไกลามาจาก ตัวเมืองขยายอีกสักหน่อยหนึ่งก็เรียว่าเขาก็เลยให้เกียรติเร่ตรงนี้ว่าโพธิขยะพุทธขยานั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นสถานที่สําคัญของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ขยะจะว่าไปถ้านับกันเนี่ยถือว่าสถานที่ประศรู้ในเป็นสถานที่สําคัญที่สุดในบรรดาสีสังเวชนียสถานไหมคะสำคัญที่สุดหรือไม่เราจะวัดจากอะไรหล่ะคุณยมติววะก็บางคนบอกที่ฉันบอกว่า ยัเคยถามไหคะถ้าเราไล่เรียงแบบคนธรรมดาก็ต้องเกิดก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยจะเจอประสบการณ์ชีวิตต่างๆก่อนที่จแก่แล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดมันก็น่าจะไล่เรียงตั้งแต่สถานที่ประสูตรปราสรู้แล้วก็ปรินิพานแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่านี่พระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ต่างหากถ้าโดยพุทธพจน์นะโดยพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าสถานที่ที่เราพระอรหันเนี่ยจะไม่ลืมเลย จะไม่ลืมก็คือจะระลึกได้มีสติระลึกได้อยู่เสมอเนี่ยคือเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิในพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะระลึกได้อยู่เสมอว่าที่เกิดของตัวเองที่ที่ตัวเองขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ที่ที่ชนะสงครามมันยิ่งใหญ่แตถ้าเปรียบกับเป็นภิกษุเรก็จะพูดถึงสถานที่ที่ตัวเองบวชนะแล้วก็ที่ที่ตัวเองบรรลุโสดาบัญแล้วก็ที่ที่ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าเราจะเปรียบกับมาเป็นพระพุทธเจ้า นั่นคือสถานที่ที่พระพุทาบวชแล้ ก, ก็จะไม่ได้อยู่ในสถานที่นี้4 ส, สถานที่นี้เลยด้วยซ้ํำแต่ว่าสถานที่พรุทธาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็คือใต้ต้นโพธ ต, ตรงนี้แต่เวัะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าใต้ต้นโพนี้ก็เป็นที่สําคัญกันนะทำไมาวะเนาะค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียงลําดับไว้ว่าอย่างใดเป็น1นึ่สําคัญไปหมดสําหรับตามที่ท่านสบทุลุได้พูดมาถ้าพระธรรมดาหรือพระอริยะนะคะก็ตามนั้นใช่ใชแล้วก็ รวมสถานที่เกิดด้วยอืมแต่เท่าที่จากดูดูแล้วเนี่ยความที่คนไปหนานแน่นกันมากเนี่ยคุณโยมติว๋วเราก็จะเห็นว่าพุทธคยาคนไปหนานแน่นกันอยู่มากกว่าที่อื่นๆใช่เป็นอย่างนันใช่ค่ะเพระบางทีเขาสมมุติว่าไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปครบทั้ง4สังเวชนิยสถาน ม, มีโอกาสเลือกที่เดียวเขาก็เลือกไปพุทธคยา ก, กัน<ๆ>นะคะอืมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทางคําสอนในนิกายวัชยานหรือมหายานเนี่ย ก็จะมีเรื่องที่พิสถานไปอีกเกี่ยวกับสถานที่นี้ด้วยเหมือนกันนะอซึ่งถ้าเป็นเทราวาสก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นละค่ะท่านค้าทีนี้อยากจะเข้าเรื่องที่ไปเนี่ยเลยนะคะว่าสําหรับสถานที่นี้มีพระสูตรที่เหมาะเจาะจะไปสาธยายกันณนที่นี้พระสูตรใดบ้างแล้วก็อย่างพวกเราเร า, เราท่านๆ่านเนี่ยที่ท่านเป็นบูลได้พูดว่าบางทีไม่ต้องไปถึงที่นั่นก็ได้แต่ถ้าหากว่าเข้าใจถึงวิธีการที่จะเข้าถึงแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูก อาจจะรับรู้รับทราบแล้วก็ได้เกิดการเจริญในธรรมด้วยเหมือนกันใชค่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธคยาเนี่ยก็คือต้องเริ่มมาตั้งแต่การที่พระองค์ได้ออกบวชแล้วนะออกบวชแล้วคือมีอายุ30มย่อนหนึ่งก็พูดถึงคือ29่สิบเาปียุ29ปีบวชแล้วแล้วไงต่อเราก็ต้องมาศึกษาวิธีการที่จะทําความจำแจให้เกิดขึ้นได้กับอรระดาบทกัลมโคศกับอุตกระผู้รามบุตร สท่านนี้ซึ่งพอไปเรียนวิชาจาก2ท่านนี้ก็ได้ถึงฌานที่7จกับานที่8ก็คือรูปฌานขั้นที่7กับขั้นที่8อากาศสารนันใจยตนะแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญายตนะพอเรียนความรู้จากอาจารย์2ท่านนี้แล้วเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8ว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พรำนิพพานก็เลยหนายจากทารมนั้นหลีกไป แต่ตรงนี้จําเข้ามาสู่ที่ตําบลอุรุเวลาล่ะนั้นลิกไปแล้วไปไหนนั้นลิกไปแล้วก็ได้มาสู่สถานที่แห่งหนึ่งพบว่าเป็นภาคพื้นโรมา น, นีเยสถานมีชัดป่าเยือกเย็นมีแม่น้ําไหลใสเ ย, ย็นจืดสนิทมีท่าน้ําราบเรียบเป็นดันดีน่าเบลินใจมีบ้านสําหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบนั่นพูดถึงสถานที่ตรงนี้นั่นก็คือตําบลอุรุเวลาเสนานิกกมนั่นเองแต่ตรงนี้แต่เพราะนั้นในบริเวณตรงนั้นเนี่ย ก็จะมีบันทึกของพระถานสัญจังมีบันทึกของครูบาอาจารย์อะไรต่างๆที่จะอธิบายว่าในบริเวณตำบล น, นี้อ่าตรงนี้นะคือที่ปริชาไปทําทุกขกิริยาเอออาหารท้องท้องกิ่วอยู่ตรงนี้พูดถึงว่ามาลอยถาดตรงนี้พูดถึงว่ามารับข้าวจากนางสุชาดาตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนั้นค่ะแล้วก็มาจะมาจบอยู่ที่ตรงตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพเขาก็กว่าไปตรงนั้นนะแต่นี่คือบริเวณนี้แหละ ตะเรียกว่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในะรายละเอียดที่พระเจ้าได้บอกไว้ก็คือการที่มานั่งอยู่ใต้ต้นโพเท่านั้นเองแตนะส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เป็นพุทธพจนะ์จะไม่ได้ระบุว่าตรงนี้ตรง น, รงนี้ดงคัสลีหรือว่าอะไรอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> เราก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก่อนนะตรงนี้นะที่พระเจ้าอธิบายถึงพื้นที่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะเราไปถึงเนี่ยเราก็จะพ่าว่าเออแม่น้ํามันก็ถ้าน้ำมันก็ ราบเรียบจริงๆนะเพราะว่าแม่น้ำมันไม่ได้ลึกอะไร <Okay. S 1> ะแล้วก็ถ้าเราไปในฤ ด, ดูที่มีน้ําไหลเนี่ยก็จะประมาณเดือนมิถุนากรกขดาช่วงนั้นน้ําก็ไม่ได้ลึ ก, กน้ําก็เป็นน้ําใสมาแล้วก็จะเป็นพื้นที่ลักษณะที่ผู้ชาบอกนั่นแหล ะ, ล, ะลองคิดถึงสมัยก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นห่างไกลจากตัวหมู่บ้านมากพอสมควรแล้วก็จะเป็นป่าที่น่ารื่นรม <Okay. S 1> ก็คิดว่าสถานที่ตรงนี้ควรที่จะตั้งความเปลี่ยน แนวิธีการทําความเพียรของโพธิสัตว์ตอนนั้นนะก็ทําความเพียรอย่างที่เขานิยมทํากันนะคือความคิดนึกที่ว่าผู้อื่น เ, นเป็นคนทําความทุกข์ทำชีวิตจะบรรดาลสุขหรือบันดาลทุกข์ให้เราอยู่ที่คนอื่นทำํำนะเพราะฉะนั้นก็โดยวิธีการที่ว่าทรมานตัวเองให้ลําบากเพื่อที่คนอื่ น, นมีเทพเจ้าเป็นต้นพระเจ้าอีศวนหรืออะไรต่างๆจะได้ก็เรียกว่าเห็นใจเราแล้วก็ประทานความสุขให้ พระเจ้าตอนนั้นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทําข้อวัดสีอย่างนะประสัติตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเล่าให้ฟังด้วยนะการทําเช่นว่าทําเปลกายถอนผมโดยที่ไม่ใช้ไม่ใช้มีดกรีตัดนะดึงขนดึงผมออกกินอาหารชนิดที่เรียกว่าสารายบ้างอาหารเป็นผลไม้ที่หล่นเองบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะมีตัวโดยที่ตัวเองไม่อาบน้ํา นะตัวก็จะขึ้นเป็นเอ่อเป็นก็เรียกเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นลักษณะเป็นตอตะโกขึ้นมาแต่เป็นสเก็ดขึ้นมาอย่างนี้ก็มนะีหรือว่าความที่อยู่สงัดก็คือเห็นใครมาในป่าเท่นั้นก็หลีกจากป่านี้ไปสู่ป่าอื่นอย่างนี้และบางครั้งก็มีข้อปฏิบัติที่เรียกว่ า, เ, าเดินไปไหนเนี่ยก็ระวงังไม่ให้จะไปเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยการเอาไม้กวาดเนี่ยกวาดไปก่อนนะตรงที่ก่อนที่ตัวเองจะเดินไป ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติอย่างที่บริษัททาในตอนนั้นเนี่ยนะปัจจุบันอินเดียในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่นะว่ามีนักบวชที่เขาทําการทรมานตัวเองทําตัวเองให้ลําบากในลนักษณะนั้นๆยังมีอยู่นะคุณโยมเตียวอ่ยังมีอยู่ซึ่งนี่เป็นรูปแบบหนึ่งนะทำป้ายแล้วก็มีการทรมานตัวเองนะี่คือที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อวัดที่เขาเรียกว่าเขาทํากันอยู่โดยทัววว่วไป ที่พริเจาของเราทาเพิ่มขนนึ้นโดยตอนที่เป็นโพริษัตย์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็คือทำตัวเองให้ลำบากด้วยการที่กลั้นลมหายใจคือเอาอันดับแรกก่อนคือเอาลิ้นขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้ น, นค่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดก็คือเอาลิ้นดันเพดานาเพดานปากของตัวเองนจนกระทั่งเหงื่อมันไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้าง กัดฟันให้แน่นจนแบบขบกัดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะ uh huh. ต่อจากนั้นก็เพื่อที่อะไรทําไปทําไมนะเพราะว่านี่เป็นวิธีที่สองหละที่เรียกว่าต้องการจะเอากิเลสที่อยู่ในกายให้มันออกไปนนั้โดยวิธีทรมานตัวเองแวิธีอย่าง อ, างอันแรกที่เราพูดถึงเนี่ยคือเพื่อที่จะให้อีศวนหรือว่าพระเจ้าอะไรเนี่ยเห็นใจนเลยทรมานตัวเองในรูปแบบนั้นแต่วิธีที่สองเนี่ยคือพูดถึงว่าเอากิเลสที่ว่ามันจะอยู่ในกายเนี่ยไล่มันออกไป ด้วยการที่ทรมานตัวเอง น, นี่เป็นจุดประสงค์อันที่สองทีนี้ไม่เวิร์กแล้วทำไงล่ะเอางั้นกลันลนะกล้นลมหายใจนะกลั้นลมหายใจกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมมันออกหนะูดังวืดขึ้นมาเอาไม่เวนะิร์กกิเลสยังไม่ออกแลนะก็เปลี่ยนวิธีกลั้นลมหายใจทางปากทางจมูกทั้งหูด้วยนะลมมันก็ตีอยู่ในท้องบ้างขึ้นไปข้างบนบ้างตัวร้อนบ้างเงื้อแต่เอาจจรักแร อะไรต่ า, างๆก็ยังไม่ประสบความสําเร็จคือที่พูดจะย่อตรง น, นี้นะคุณโยมเต๋วจริงๆเนี่ยทำเป็นคือคืออาจมาคิดว่าต้องเป็นระยะเวลาหนึ่งพอสมควรนะเพื่อที่จนกระทั่งว่าเกิดความร้อนขึ้นทั่วกายบ้างนะหรือว่าลมตีขึ้นไปทางกระหม่อมเหมือนกับคนเอาเชือกมาลัดนะปวดหัวไปทั้งศีรษะนะซึ่งแค่ที่ว่าเรากลั้นลมหายใจเนี่ยเวลาเรารู้สึกคือ ด, ดัดเราก็พอละนะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่ว่าเหงื่อไหลออกจากรักแร้แต่พระเจ้าทําถึงขนาดนั้น <c oughs> ซึ่งก็ต้องเป็นระยะเวลาพอสมควรนะจนกระทั่งถึงวาระที่5ที่6กนะก็คือเริ่มที่จะไม่บริโภคอาหารและหยุดการบริโภคอาหารนะต่อนนั้นก็ค่อยบริโภคพอดให้น้อยลงนะจนกระทั่งจากข้าว1นึ่ฝ่ามือเนี่ยก็เหลือแค่ครึ่งฝ่ามือจากครึ่งฝ่ามือก็เหลือ1ช้อนจาก1ช้อนก็เหลือครึ่งช้อนจากครึ่งช้อนก็เหลือหนึ่งเมล็ดจาก1นึเมล็ดก็เหลือครึ่งเมล็ดเมล็ดข้าวนะกินทีละครึ่งเมล็ด หรือเท่าเยื่อเมล็ดข้าวกินเหลือเท่านั้ น, นก็คงต้องเป็นหลายวันตรงนี้นแล้วก็จนเกิดเป็นแบบว่าไม่กินเลยตรงนั้นตอนที่รพระเจ้าบริษัทเนี่ยมีความคิดว่าจะอดอาหารเนี่ยก็มีเทวดาขึ้นมาบอกว่าอ้าวงั้นถ้าจะอดอาหารเนี่ยจะเอาอาหารที่เป็นทิพย์เนี่ยแทรกตามรูปกลุ่มข น, นซึ่งตอนนั้นบริษัทก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราทําอย่างนั้นมันก็จะเป็นการมูสาก็เลยปฏิเสธพวกเทวดาเหล่านั้นไป แสดงว่าตอนนั้นผู้รู้ชาของเราโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเห็นพิเศษในการที่จะเห็นเทวดาคุยกับเทวดาได้ล่ ะ, <ค>ะที่ว่าตรงนี้ <คะ S 1> ก็ยังยังไม่เวิร์กไม่ตรัสรู้ซึ่งตอนนั้นแน่นอนเราบรญจับวิกีก็ยังอยู่คอยเชียร์คอยให้กําลังใจกันละ่ะตรงนี้คือเกิดที่ตำมนูรุเวลาเสนานิกรมเป็นสถาน <คะ S 1> ที่ที่ทำความเพียนตรงนี้นะคะ่ะไอ้ประเด็นประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งที่ ต้องการให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ตะมนตอุรุเวลาที่ตะมนตขยาเนี่ยคือเรื่องการทําความเปลี่ยนนะซึ่งแน่นอนบางทีในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันใช้ความเพียร น, นั้นลุยทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่สําเร็จนี่คือประเด็นที่1แล้วทํำยังไงหนุนก็ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็เหมือนกับโพธิษัทเลยนุนลองผิดวิธีแรกตอนอยู่ในวงังไม่เวิร์กใช่ไหมก็คือหาดูซิว่าในวังมันจะมีวิธีการหรือว่า การบริหาจัดการหรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันจะทําให้เกิดความไม่แก่ไม่ตายไหมไม่มีนะก็เลยเออกมาหาภายนอกนะโดยการทําความเพียรชนิดที่เรียกว่าทําตัวเองให้ลําบากก็ทํำามาแล้วนั้นะก็ยังไม่เวิร์กก็ยังมีความที่ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งรู้ความนิพพานนะลองผิดลองถูกมาลองผิด2วิธีก็ยังไม่เวิร์กสุดท้ายก็เลยได้มีนิมิตเกิดขึ้นนะเป็นอุปมาที่พูดถึงไม้นะําะทําเป็นไม้อย่างไม้สดอยู่ นะอยู่ในน้ําเอามาจุดไฟมันก็ไม่ติดแตนะ่ถ้าไม้สดอยู่แต่ว่าถึงแม้ไกลาจากน้ําจุดไฟก็ยังไม่ติดอยู่ดีต้องเป็นไม้แห้งนะไม้แห้งไกลาจากน้ําเอาไม้สีไฟมาสีมันจะติดขึ้นได้นั่นะคือกระบวนการสมัยก่อนในการที่เขาจะจุดไฟเนี่ยเขาจะต้องมีไม้สีไฟอันหนึ่งนะํามาสีกันกับอีไม้อีกอันหนึ่ง <Okay. S 1> นะซึ่งไม้อันที่2ที่เป็นฐานรองรับของไม้สีไฟเนี่ยก็จะต้องเป็นไม้ที่แห้ง ถ้าเป็นไม้ที่เปียกนี่จะจุดติดไม่ได้เลยนะมันก็จะเป็นมันก็จะไม่ติดเลยละ่นะยิ่งถ้าเอาไปอยู่ในน้ําไม่ต้องพูดถึงไม่ติดแน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้พระเจ้าพระที่สัตตอนนั้นเห็นเป็นอุ ป, ปมาประใหมนะ่ว่าอ๋อถ้ารากว่า ก, กายเนี่ยยังเราคนอยู่ด้วยกามนะกายยังเราคนอยู่ด้วยกามนี่ก็หมายถึงว่ายังจุ่มในะอยู่ในน้ําอยูนะ่อันนี้ก็จะไม่จะไม่สามารถทําไฟให้มันเกิดขึ้นได้นะเช่นเดียวกันการที่ยังเป็นไม้สด ใ น, ใ, นในเนื้อไม้เนี่ยยังมีความสดยังไม่แห้งเนี่ยก็เปรียบเสมือนจิตใจที่ยังมีกา ร, รมาคุณมีกิเลสกรรมอยู่ในใจเราก็เลยอ๋อขึ้นมาตรงนี้อ๋อมันต้องทั้งสองอย่างคือกายของเราตอนนี้ออกจากกรรมและออกจากวางมาแล้วใช่ในใจเราก็ต้องทําให้เป็นเหมือนกับไม้แห้งก็คือให้ใจนั้นมันปราศจากกิเลสกรรมไม่ใช่อยู่ที่กายอ่ะตอนนี้พอถึงบางอ้อขึ้นมาก็เลยหันหาทางสายกลาง แล้ววิธีไหนที่จะทำใจให้หมดจากกิเลสกรรมได้ตอนนั้นก็เลยระลึกถึงตอนที่ยังเป็นเด็กตอนนั้นก็คือพวกพระปิดาพวกชาวศักยะเนี่ยเขากำลังบุ้นวายอยู่กับงานจัดงานแรงนาขวัญตัวพระองค์เป็นบริษัทเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทเข้าชานหนึ่งได้เข้าชานหนึ่งได้ก็เลยคิดว่าอ๋อตรงนี้แหละน่าจะเป็นวิธีที่ทาให้กิเลสกรรมในใจเนี่ย มันหายไปนะก็เลยเกิดความมั่นใจขึ้นมาทันทีอันนี้ที่เกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าเอ้ยต้องวิธีนี้แน่นอนน่าจะใช่เลยอันนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นอินทรีย์ของพระองค์เป็นบารมีที่บําเพ็ญม า, นะอาอย่างบางทีเราเจอปัญหาบางอย่างนะคุณโยมเต๋อจะเป็นปัญหาที่ทํางานก็ตามที่ในครอบครัวก็ตามเนี่ยเราเราคิดว่าเอ้ยวิธีนี้น่าจะแก้ได้นะเราลองทอําดูว่ามันน่าจะไดนะ้ก็คือเหมือนกับใช้ใช้ความรู้สึก ในการคิดว่าเออมันน่าจะได้นะก็เราก็ลองไปทําดูก็ได้จริงๆริงนันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับโพธิสัตว์ตอนนั้นแต่นะว่าเออมันมีมีบารมีที่บําเพ็ญมาความรู้อะไรต่างๆบางทีเราทําผิดพลาดไปแั่นเราก็แก้ไขให้ถูกตรงนี้เป็นเป็นข้อธรรมะที่เราจะได้ทันทีเลยหนะลังจากนั้นพอพอคิดวิธีว่าเอาอฉันควรจะมาทําความความเพียรในใจโดยให้กิเลสกรรม ใ, ในใจเนี่ยมันมันระ ง, งับไปก็มาถึง จุดที่จะฉุกคิดว่าเอ๊ะถ้ากายมันหิวโหวยเกินกว่าเหตุขนาดนี้เอามือจับทางด้านสะดือเนี่ยก็ถึงกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยเอามือเอื้อมไปจับทางด้านหลังเอื้อมมาจากทางด้านหลังเพื่อที่จะจับกระดูกสันหลังมันถึงท้องด้วยเหมือนกันเนี่ยแผ่นหนังท้องกับกระดูกสันหลังติดกันสนิทอย่างเงี้ยโห้ยจะมาหาความสุขในภายในจะมาหาความสุขชนิดที่เป็นสมาธิคงจะยากนะก็เลยเริ่มรับประทานอาหารที่เป็นอาหารหยาบ นะพอปัญจวัคคีย์ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะอา้าวทำไมสมณโคดมคลายความเพียนเวียนมาเป็นคนมากมากอย่างเงี้ยนะแค่กินอาหารไม่กี่คำคุณโยมติ๋วที่ดูถูกก็ ว, ว่าว่าเป็นคนมากมากนะใก็คือเหมือนเราบางทีเนี่ย เ, เปลี่ยนมิธีการบางคนก็อาจจะว่าอย่างนั้นมากอย่างนี้มันก็ต้องก็ต้องดูแหละ ว, ว่าเราจะทำได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะค่ะนะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบ ประเมินคนอื่นจากความคิดของตัวเองใช่ใช่นะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องเล่าจากาพุทธประวัติของพระพุทธองค์เล่าเองใช่ไหมคะใช่ที่อันนี้นที่เป็นเป็นพุทธพจน์ ท, ทั้งสิ้นเลย ค, คือคือเรื่องราวตรงเนี้ถ้าเอาพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงเลยค่ะมาตรงนั้นมีเซสชั่นที่นั่งสมาธิเนี่ยพร้อมกับอ่านพระสูตรให้ฟังเนี่ยทั้งหมดสาคาบคาบละหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะเล่าเรื่องราวตรงนี้โอ้โหไปอยู่ตรงที่ใต้ต้นโพธิ์เนี่ยนะคะใช่ใช่ก็จะอยู่สองวัน นะวันวันแรกไปถึงก็ชั่วโมงหนึ่งในะวันถัดมาก็ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็3ามชั่วโมงเล่าเรื่องราวตั้งแต่ทำทุกั ก, กิริยาจนกระทั่งถึงตรัสรู้อะไรต่างๆผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างตอนนี้ค่ะเท่ า, ากับว่าดิฉันจะจินตนาการแบบคนไปมาแล้วนะคะอ่าๆคือเราก็จะเดินไป<ๆ>เพื่อที่จะไปแสวงหาที่นั่งบริเวณโดยรอบของต้นโพใช่หคะใช่แล้วก็ตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยท่านทั้งหลาย เมื่อเรียบร้อยก็นั่งสมาธิกันเลยท่านเพบูรณ์ก็จะอ่านพระสูตรพวกนี้ประกอบไปตลอดเวลาตูกต่างนะคะอ่าแต่ละคาบนี้ทาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องคนละช่วงตุกต่างตุก่งค่ะนะท่านฟังถ้ามีงวดหน้าในสงสัยต้องอคอยหูไวาตาไวา <laughs> นะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมในลักษณะที่สุดท้ายแล้วได้รับทราบแบบทองแท้ว่าอ๋อตรงนี้นะพระพุทธองค์ ที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ส่งทําอะไรก่อนตรัสรู้ใช่ใช่แต่วันนี้เนี่ยคงจะต้องไปอีกขาวนึ่งนะคะท่านคะซึ่งซึ่งในในขาวต่อไปก็จะมาพูดถึงว่าอุปสรรคอะไรที่พระเจ้าเจอสมาธิหล่นสมาธิขึ้นเป็นยังไงมีสมาธิเสื่อมใช่ค่ะก็กลับนมัสการขอบพระคุณท่านไปบูญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะด้วยบานท่านฝู้ังที่เคารพคะสําหรับท่านที่เพิ่งมาฟังทีหลังก็จะเป็นการ นำเอาประสบการณ์ใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วก็แตกต่างจากที่ใครต่อใครเข้าไปกันที่สังเวชนียสถานเป็นการอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือตามที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าธรรมวินัยของพระพุทธองค์เนี่ยแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนี่ก็เลยนําเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นพุทธพจน์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนของธรรมด้วยเหมือนกันนะคะในพุทธประวัติ ที่ตรัสเล่าเอาไว้เองว่าณสถานที่นั้นๆได้ส่งกระทําอะไรบ้างเรายังมีเล่ากันต่อไปอีกท่ทานเข้าใจว่าเผยๆในสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่เสร็จด้วยซ้ํำไปก็ค่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาของเราในแต่ละวันก็จะมีจํากัดพอดีๆนะคะที่สถานีวิทยุเอฟเอรอยกครอบครัวข่าวแห่งนี้กับรายการสันสนิษฐานาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธวสตวรีค่ะ